นี่ก็ตรงกับวันเสาร์ที่9มีนาคมพุทธศักราช2539นับเป็นครั้งที่8ของการบรรยายความรู้ว่าด้วยประวัติความเป็นมาของการบรรลุ ธ, ธรรมของพระญาติบุคคลวันนี้ได้เวลาสมควรแล้วใครขอเรียนเชิญท่านอาจารย์สุเทพโพธิสัตธาได้บรรยายในหัวข้อเรื่องดังกล่าวสืบต่อจากคราวที่แล้วเปยนเชิญอาจารย์ค่ะ พระคุณเจ้าที่เคารพท่านสาธุชนพวกใกล้รมทั้งหลายประวัติของพระเถระที่จะนำเอามาอธิบายสืบต่อในวันนี้เป็นองค์ที่44นะครับในเอกสารนั้นก็จะปรากฏชื่อว่าพระสานุเถระพระสานุนั้นที่จริงเราจะคุ้นกับการเรียกท่านว่าสานุสมมาเนน ประเหตุว่าในพระสูตรและประวัติของท่านในเบื้องต้นนั้นท่านได้ใช้ชีวิตของความเป็นเนร์อยู่นานนับด้วยสิบปีทีเดียวท่านสานุสามเณรหรือสานุเถระเป็นชาวเมืองสาวัตถีเป็นลูกที่คงจะกล่าวได้ว่ากำพร้าพ่อตั้งแต่ก่อนเกิด คือเมื่อมารดาของท่านตั้งท้องพ่อของท่านก็ได้จากไปอยู่ที่อื่นซึ่งในประวัติก็ไม่ได้เล่าว่าจากไปด้วยเหตุไรแล้วก็ที่อื่นคือที่ไหนแต่ความหมายโดยเบ็สเ็จก็คือเมื่อแม่ตั้งท้องนั้นพ่อได้จากไปแล้วก็ไม่ได้เจอกันอีกเลยตลอดชีวิตเแม่ของท่านนั้นเป็นอุบาสิกาผู้เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาชาวเมืองสาวัตถี แล้วก็มีฐานะเป็นชาวบ้านธรรมดาคนหนึ่งนะครับท่านอยู่ได้อยู่ในคันของมารดาว่าสิบเดือนเมื่อได้คลอดแม่ก็เลี้ยงจนกระทั่งอายุเจ็ดขวบเมื่ออายุได้เจ็ดขวบนั้นเนื่องจากว่าแม่เป็นคนที่มีศรัทธาแล้วก็เห็นว่าลูกชายคนเดียวของนาง น, นั้นกำพราพ่ อ, อตัวเองอาจจะให้ความคุ้มครอง ได้ไม่ดีให้ความสุขได้ไม่ดีก็จึงให้บวชเป็นเนนในประวัติจึงบอกว่าเพื่อความสุขและความปลอดภัยของลูกสานุสมมเนนนั้นเป็นคนที่มีบารมีหลายประการเมื่อบวชเข้าไปเป็นสมมเนนก็เป็นคนที่มีคุณสมบัติในทางธรรมะหลายประการเช่นเป็นพระผู้สูตรคือสดับตรับฟังทรงจำธรรมะเอาไว้เยอะ นอกจากทรงจำธรรมะเอาไว้มากแล้วก็ยังเป็นธรรมกัตกคือสามารถแสดงธรรมได้ตั้งแต่ยังเป็นเนรในด้านความประพฤตินั้นเป็นผู้ที่มีอาจาระมีวัดดีงามและเป็นคนที่เฉลียวฉลาดนะคือเป็นคนมีปัญญาคุณสมบัติหลายอย่างและคุณสมบัติพิเศษอีกประการหนึ่งก็คือเป็นคนที่มีเมตตามีเมตตาแรงด้วยเหตุนั้นท่านจึงกล่าวว่า สารุสั ม, มนเนนนั้นเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายโดยทั่วไปในระหว่างการบวชของสั ม, มนเนนนั้นเนนผู้นี้ไม่ได้บรรลุธรรมทันทีในขณะบวชเหมือนอย่างสั ม, มนเนนองค์อื่นนะครับที่ได้เคยเอ่ยถึงประวัติเ่ียมาแล้วสั ม, มนเนนรูปนี้ถึงจะมีคุณสมบัติน่าเลื่อมใสหลายประการดังกล่าว การบวชของเนนนั้นเนนยังมีจิตคิดจะสึกอยู่แต่เนื่องจากว่าเนนเป็นที่รักที่ห่วงใยของผีสารเทวดามากจึงปรากฏในพระสูตรหนึ่งความจริงเราได้เคยพูดแล้วนะครับอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มสิบห้าชื่อว่าสานุสูตรในสานุสูตรนั้นได้กล่าวว่าวันนั้นเป็นวันพระอ่า ธรรมดาวันพระเนี่ยว่ากันว่าผีจะไม่เข้าสิงผีผีจะไม่เข้าสิงคนคือผีเองก็ก็มีวันพระเหมือนกันบูดเป็นทํานองอย่างนั้นแต่วันนี้ทำไมถึงผีเข้าสิงคนและที่ว่าเข้าสิงเนี่ยเข้าสิงใครเข้าสิงสามเณรต่อหน้าแม่ของตัวเองในวันพระแม่ก็แปลกใจว่า เป็นเนรด้วยวันพระด้วยทำไมผีเข้ากำลังปลาลบร้องห่มร้องไห้อยู่ในที่นั้นอยู่ๆนะผีก็ออกนะฮะก่อนผีจะออกเนี่ยผีได้บอกกับแม่ของเนรว่าเมื่อข้าพเจ้าจะออกเนี่ยขอให้บอกลูกด้วยว่า ความคิดจะศึกนั้นไม่ดีเลยช่วยบอกลูกว่าอย่าศึกช่วยบอกลูกว่าเป็นความห่วงใยของแม่เมื่อชาติปางก่อนแม่เมื่อชาติปางก่อนนั้นได้เกิดเป็นยักษ์ศรีตนหนึ่งที่อยู่ในอนาบริเวณนั้นแล้วก็มาคอยให้การคุ้มครองนะอันนี้ก็เหมือนกับที่เราเชื่อว่าคนเนี่ยจะมี เทวดาคุ้มครองหรือมีผีสางเทวดาคุ้มครองอเทวดาผีสางเทวดาที่มาคุ้มครองเนี่ยก็มีบุญมากบุญน้อยแล้วแต่อ่าบุญของคนคนนั้นแล้วก็อเทวดาหรือผีสางเทวดาที่มาคุ้มครองเนี่ยก็ความจริงมีอเป็นญาติของตัวเองแต่อดีตนัก็พวกหนึ่งแล้วก็พวกที่เป็นเจ้าที่เจ้าทางอยู่ในที่นั้นๆพวกหนึ่งกรณีของสารุสมณเ็รนั้น เป็นผีสารเทวดาที่ตามคุ้มครองในฐานะที่เป็นญาติเก่าเมื่อมาสั่งแม่ในชาตินี้แล้วก็ออกจากร่างของสมมาเนนเมื่อถอยออกจากร่างของสมมาเนนสมมเนนก็ตื่นขึ้นฟื้นขึ้นมาเห็นแม่กําลังร้องไห้ตก อ, กอกตกใจอยู่เนนก็ถามแม่ว่าแม่ร้องไห้ทำไม ปกติคนที่จะร้องไห้ถึงลูกเนี่ยหรือถึงญาติของตัวเองนั้นได้เหตุสองประการคือประการหนึ่งญาติของตัวเองคนนั้นได้ตายจากไปหรือจากไปสู่ที่อื่นยังไม่มีวันกลับแต่นี่ลูกของแม่ก็ยังอยู่ต่อหน้าแม่มิได้ตายไปมิได้จะจากไปไหนยังไม่มีวันกลับเหตุใดแม่จึงร้องห่มร้องไห้ตีโพยตีภายถึงลูกหลับแม่ก็บอกว่าไอ้ที่ร้องไห้เนี่ย ร้องไห้เพราะแม่ไม่คาดคิดว่าลูกน่จะศึกนะฮะคื อ, อพ่อแม่เนี่ยร้องไห้ตอนลูกบวชนั่นก็ทีหนึ่งแต่ตอนลูกศึกน่ะถ้าบวชตามประเพณีพ่อแม่ไม่ร้องไห้แต่สมัยก่อนเนี่ยบวชแล้วก็บวดกันเลยถ้าศึกแล้วพ่อแม่ก็ร้องไห้โดยเฉพาะพ่อแม่ที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาเข้าใจาศาสนาเลยอยากจะให้ลูกของตัวเองนั้นประสบความสาเร็จในชีวิตการบวต แม่ก็บอกว่าแม่ได้ยินพระผู้มีพระภาคทรงตรัสว่าผู้ที่ศึกออกมาเนี่ยความจริงเป็นมรณะของภิกษุนะนี่เป็นพุทธพทธจน์จริงๆนะที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าภิกษุที่ลาสิกขาเวียนมาสู่ความเป็นฆรวาดหรือมาเป็นคนเลวในสัมนวนของท่านเนี่ยนะครับท่านตรัสว่านั่นเป็นมรณะของเธอคือนั่นเป็นความตายเพราะนั้นการเกิด หรือการตายในคติของชีวิตพระการได้บทถือว่าเป็นการเกิดในอริยวินยัยแล้วก็การศึกนั้นถือว่าเป็นมรณะในอริยวินยัยแม่ก็มีความฝังใจในเรื่องนี้จึงร้องไห้เมื่อร้องไห้แล้วด้วยอ้างพุทธพจน์อย่างนี้เนรก็มีความรู้สึกว่าสะเทือนใจสะเทือนใจว่าความลับของตัวเองนั้น มนุษย์ไม่รู้แต่ผีสารเทวดารู้และเมื่อผีสารเทวดารู้ในที่สุดก็ทำให้มนุษย์รู้ก็เกิดความละอายจึงคิดว่าทำอย่างไรเราจริงจะไม่ศึกสิ่งที่จะทำให้ไม่ศึกแล้วก็อยู่ได้อย่างเป็นผาสุขเนี่ยจะต้องบรรลุธรรมจะต้องมีธรรมเป็นที่พึ่งก็จึงเพียรพยายามเจริญวิปัสสนาจนกระทั่งได้เป็นพระอระหันต์ตั้งแต่ ยังเป็นสัมมเนนนะแล้วก็ได้กล่าวคาถาผมจะอ่านคาถาของสัมาเนนสานุให้ท่านท่านหลายฟังอ่าคาถาของสัมาเนนสานุนั่นก็คือคาถาที่ที่ตัวเองได้กล่าวกับแม่อตอนที่ตัวเองฟื้นขึ้นมานั่นเองถือว่าเป็น ถ่อยคำประทับใจเป็นเครื่องกระตุ้นเป็นเครื่องฝังใจที่ทาให้ตัวเองได้บรรลุธรรมเบื้องสูงในการต่อมาอาคติาของสานุสัมาเนนกล่าวว่าคุณโยมจ๋าในคำนวนก็แปลวหวานไปหน่อยคุณโยมจ๋าชนทั้งหลายเข้าพากันร้องไห้ถึงคนที่ตายแล้วร้องไห้ถึงคนที่ยังเป็นอยู่แต่หายหน้าจากไป ส่วนฉันยังมีชีวิตอยู่ทั้งปรากฏตัวอยู่เหตุไรคุณโยมจึงมาร้องไห้ถึงฉันเล่านี่เป็นเป็นคาถาของพระสานุเทระในการต่อม า, อาบุปผกรรมที่ทำให้สมเณรได้บวชตั้งแต่อายุอย่างน้อยแล้วก็สามารถจะเจริญในพระาศาสนาได้เน้นได้ทำอะไรไว้ ได้เล่าถึงประวัติของท่านว่าเนนผู้นี้ในอดีตนั้นได้เป็นผู้ทำบุญกิกยาข้อที่เรียกว่าเวียาวัจจะไม่เอาไว้มากเวียาวัจจะไมนั่นคือการสละแรงกายแรงใจช่วยเหลือผู้อื่นช่วยเหลือในเรื่องอะไร เ, เช่นช่วยตักน้ำถวายพระพุทธเจ้านะฮะน้ำล้างพระบาทน้ำบ้วนพระโอษฐ์แล้วก็คอยเอาใจใส่เรื่องเรื่องการ พระศาสนาก็หมายความว่าช่วยทำให้บุคคลได้รับความสะดวกในการถ้าเป็นพระพุทธเจ้าก็ในการประกาศศาสนาถ้าเป็นพระภิกษุสงฆ์ก็คือในการประพฤติปรมจาจันก็เลยเป็นอนิสงฆ์ทำให้าสารูสมเนเณรนั้นได้เจริญในพระสัตยธรรมว่องไวเพราะว่าให้ความสะดวกนี่เป็นประวัติของ ท่านสานุเราไปดูพระเทระอีกรูปหนึ่งองค์ที่สี่ห้ามีชื่อว่าระมณียวิหารีหรือรมณีวิหารพระรมณีวิหารออกเสียงอย่างสำนวนไทยท่านรมณีวิหารนั้นเป็นชาวเมืองราชพฤก์เป็นลูกของเศรษฐีอยู่ในเมืองราชพฤก์ เนื่องจากว่าตัวเองนั้นเป็นลูกเศรษฐีด้วยแล้วก็เป็นคนที่มีรูปงามด้วยือเรียกว่าลูกหล่อพ่อรวยแต่ติดที่ตัวเองนั้นเป็นคนราคะจริตอันนี้เราก็ได้ข้อคิดนะครับว่าคนที่เป็นคนราคะจริตเมื่อมาเสวยวิบากที่เป็น กุศลวิบากได้อิทารมดีๆและมีราคะจริตนั้นเป็นเจรือนโอกาสที่จะเสียคนเพราะอำนาจราคะจริตนั้นเป็นไปได้ง่ายอย่างกรณีของท่านองค์นี้กว่าจะได้บรรลุธรรมเนี่ยก็เรียกว่าออกไปนอกลูนอกทางก็ดีว่าได้สร้างสมปัญญาบา ร, รมีไว้ส่วนหนึ่งด้วยจึงแก้กลับได้ภายหลัง ก็เล่าว่าเพราะเหตุนี้ท่านรมณีนั้นจึงเป็นคนที่หมกมุ่นในกามและมัวเมาในความเป็นหนุ่มในความร่ำรวยของตัวเองเป็นปกติตั้งแต่เกิดมาในชีวิตกระว اة เฮ้ยทำไมถึงได้มาบวชที่มาบวชนั่นก็เพราะว่าได้เห็นบุคคลอื่น ที่มีพฤติกรรมเป็นทํานองอย่างตัวเองแต่ว่าเพี้ยงพลั้มเกินเลยไปถึงกับว่ า, าคนอื่นเนี่ยเป็นเป็นชายเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่มีสภาพเหมือนตัวเองถูกลงโทษถูกลงโทษเพราะหลายถูกลงโทษเพราะผู้ชายคนนี้ได้มัวเมาในความเป็นหนุ่มมัวเมาในในทรัพย์สินเงินทองเนี่ยแล้วก็ได้ใช้ความเป็นหนุ่มนั้นไปเป็น ชู้กับเมียชาวบ้านผิดลูกผิดเมียคนอื่นจนกระทั่งบ้านเมืองพระจับได้จับได้ก็ลงโทษอย่างรุนแรงท่านโรมาเน่ไปเห็นเขา้า<อ>เห็นเขาก็ย้อนกลับมานึกถึงตัวเองว่าตัวเองกับเขาคนนั้นมีพฤติกรรมคล้ายกันแต่ว่าคนนั้นถึงจุดห้นะก่อน ก็เลยสะเทือนใจว่าทําอย่างไรเราจึงยังไม่เป็นอย่างใจคนนั้นก็เห็นว่าเราน่าจะตัดไฟแต่ต้นลมด้วยการออกบวชจึงไปบวชที่วัดเวรุวันที่วัดเวรุวันก็คือวัดที่อยู่แขวงเมืองราชคลื่นนะบวชกับพระพุทธเจ้าฟังเทศฟังธรรมบวชแต่อย่างว่าแหะครับคนที่มีราคะจริตเนี่ยบวชแล้วก็ ก็อดไม่ได้ดังนั้นประวัติของท่านจึงได้เล่าต่อไปว่าเพราะเหตุที่ท่านเป็นคนราคะจริตเมื่อบวชเข้าไปแล้วก็ค่อนข้างจะเป็นพระภิกษุที่มีชีวิตที่ค่อนข้างจะสาอางสักหน่อยสาอางนี่ก็ความจริงก็ไม่มีอะไรมากในส่วนที่ว่านี่นะคือเป็นคนประดิบประดอยเรื่องที่อยู่ที่อาศัยคือกุฏิ กุติสร้างอย่างดีแล้วก็ทำความสะอาดจัดวางสิ่งของตกแต่งเนี่ยดูเรียบร้อยความจริงก็เป็นอาการที่น่าเลื่อมใสแต่ว่าในแง่ของคนที่เป็นคนราคะจริตแล้วไปทาอย่างนี้ในทางหลักของสัพพยาของจริตนั้นถือว่าผิดถือว่าผิดนะคนที่มีเป็นคนราคาจริตเนี่ยต้องไม่ปรุงแต่งเรื่องปัจจัยสีในลักษณะประณีตละเอียด หรือสะอาดบันจงจนจนเกินเลยอเกินเลยเนี่ยดูจากไหนเกินเลยนั่นคือต้องประมาณเอาเองนะประมาณเอาเองหรือให้ผู้ที่รู้เนี่ยนะช่วยประมาณให้แต่ว่าที่ตัวเองรู้ก็คือว่าการทำการทำระเบียบหรือทำความเรียบร้อยหรือทำความสะอาดทำความประณีตอะไรก็ตามที่ ทำแล้วทำให้ราคะจริตปรากฏเป็นประโยชน์แก่ความโลภอันนั้นถือว่าเกินเลยสำหรับคนราคะจริตต้องลดลงมาอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่กระตุ้นให้เกิดความกำหนัดยินดีไม่ว่าจะเป็นเรื่องเสนาสนะเครื่องนุ่งหม่มหรืออาหารการกินก็ตามให้พิจารณาด้วยด้วยความรู้สึก เพระนั้นไ อ, ไอ้เรื่องนี้นะั่นจึงในทางรายละเอียดเนี่ยจึงไม่สามารถที่จะกะเกณฑ์ในทางกายภาพได้สําหรับทุกคนว่าจะต้องแค่นั้นแค่นี้การิงวินัยนนะ์มีอยู่แต่ว่าในทางาหลักของสัพปกยะอันเนื่องด้วยจริตเนี่ยจะต้องเอาความรู้สึกของตัวเองนะํามาเป็นเกณฑ์วัดเพราะฉะนั้นท่านจึงว่าคนราคะจริตนั้นจ้องทําอะไรในลักษณะที่ออกไปในทางสมถะเศร้าหมอง จะเป็นประโยชน์แก่ธรรมะที่ว่าเป็นประโยชน์แก่ธรรมะคือไม่เป็นเหตุให้ราคะาจริตได้อาศัยเกิดแต่ว่าท่านไม่ได้ทำอย่างนั้นอย่างที่ว่านะท่านทำเกินเลยเมื่อทำเกินเลยเนี่ยราคะาจริตในส่วนที่ไม่เหมาะสมแก่สมณะก็รุกลุมท่านยิ่งขึ้นไปกว่านั้นในประวัติถึงเล่าว่า <c oughs> เป็นเหตุทาให้ท่านเนี่ยเกิดราคระกลุ่มลุม จนถึงขั้นทำสุกกะสุกกาให้เคลื่อนทำสุกกาให้เคลื่อนซึ่งก็หมายถึงทําอัตกรรมนะฮะซึ่งในทางวินัยนี่ถือว่าผิดสังคติเศษสังคติเศษเป็นอาบัติลองจากบ ร, ราชิกอย่างสุกกะให้เคลื่อนเองจะด้วยความพยายามใดๆก็แล้วแต่เป็นสังคธิเศษ <c oughs> ทีนี้พอท่านทาแล้วเนี่ย ท่านก็ยังมีความรู้สึกละอายมีฮิริโอตับปะ <c oughs> เมื่อละอายแล้วท่านคิดต่อไปยังไงท่านคิดว่าเมื่อเราไม่สามารถที่จะครองเพศบรรพชิตให้ได้ดีก็ไม่สมควรจะอยู่ให้หนักศาสนาเราควรจะศึกหาลาเพศออกไปท่านก็ <c oughs> เดินทางจะไปศึกก็ไปแวะนั่งพักที่โคนต้นไม้ต้นหนึ่ง ใกล้ทางเขวินคือไอ้สมัยก่อนเนี่ยมันก็มีทางเท้าทางเขวินทางเวินประเภทเขวยนวิ่งทางเดียวเวลาสวนม็ก็หลบกันและเป็นทางขนาดใหญ่ก็มีแต่นี่เข้าใจว่าจะเป็นทางขนาดเล็กเพราะเป็นทางขนาดเล็กเนี่ยครับ <c oughs> ขนาดที่นั่งอยู่นั่นอ่ะก็มีหมู่เขวยน เทียมโคเนี่ยลากขนสำบาละผ่านมาแล้วก็มีโคตัวหนึ่งที่กาลังลากเขวยนนั้นลากเดินพลัด ต, ตกลงไปที่คูข้างทางพอพลัด ต, ตกลงไปเควยนเคนหกคะแนนตีลังกาไอคนคุมเควยนเนี่ยมันก็ไม่ใจร้อนมันก็ไปปลดโคขึ้นมาปลดโคให้พักกินหญ้า ด้วยสำคัญว่าโคคงจะเหนื่อยเหนื่อยล้าอ่อนแรงหรือหิวกระหายจึงควรจะปลดให้พักสักครู่หนึ่งโคก็ไปกินหญ้าดื่มน้ำได้สักพักหนึ่งก็กู้เคลียนขึ้นมาเทียมแล้วก็เดินทางต่อไปอการที่ไปเห็นโคตกทางและได้รับการพักฟื้นอย่างนี้ท่านก็ได้คิดว่า เออคนเรานี่มันก็เหมือนโคอาจจะพลาดพลังได้เราควรจะถือเอาโคนี่เป็นเนติแบบอย่างก็จึงคิดว่าเวลานี้น่ะเราพลังด้วยอำนาจของกิเลสเราควรจะกู้ตัวเองขึ้นมาควรจะลุกขึ้นแทนที่ท่านจะเดินทางกลับไปศึกกลับไปสู่นิวาสถานบ้านเรือนท่านก็ย้อนกลับไปหาท่านอุบาลี ไปกราบเรียนท่านว่าผมได้ทำอาบัตอย่างนี้อย่างนี้ขอปรงอาบัตแก่ท่านท่านอุบาลีก็แก้อาบัตให้ทำให้เป็นผู้ที่มีศีลบริสุทธิ์เป็นปกติอีกจากนั้นจึงส่งไปเจริญวิปัสสนากรรมฐานท่านก็เจริญวิปัสสนากรรมฐานคราวนี้เลยบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ได้ในที่สุดนะนี่ก็เป็นตัวอย่างว่า ตัวอย่างประวัติของท่านรูปนี้ก็คือให้คติเรื่องราคาจริตนะเรื่องราคาจริตแล้วก็สองให้คติเรื่องคนเรานั้นพลาดพลั้งได้ถ้าเราดูคนอื่นใครเข้าพลาดพลั้งแล้วก็อย่านึกว่าเขาจะไม่มีโอกาสมีชีวิตที่ดีขึ้นได้หรือเราเองเราพลาดพลั้งก็อย่านึกว่าเราพลั้งแล้วก็ไม่มีโอกาสกู้คืนเราอาจจะกู้คืนได้ขอให้ถือเอาประวัติของท่านผู้นี้เป็น อุทาหรเมื่อท่านบรรลุเป็นพระอาหารหันต์แล้วท่านจึงได้กล่าวคาถาผมอ่านให้ฟังเป็นคาถาสั้นๆนะเป็นถ้อยคำกติเตือนใจจากคิวิตของท่านว่าโคอาชาในผู้สมบูรณ์พลาดลมแล้วย่อมกลับลุกขึ้นตั้งตัวได้ฉันใดท่านทั้งหลายจงทรงจำเราไว้ว่า เป็นสาวกของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าผู้สมบูรณ์ด้วยทัศนะฉันนั้นเถิดเพราะนั้นโคอาจารนาย น, นี้ก็หมายถึงตัวท่านเองที่ท่านประกาศแก่ภิกษุทั้งหลายที่เป็นศาสตรพรมาราลีว่าท่านเป็นผู้พลาดว่าเนื้อแท้ท่านเป็นโคอาจาณายแต่เมื่อพลาดแล้วก็กลับคืนขึ้นได้อีกแล้วก็ได้บรรลุธรรมเกิดญาณทัศนะในที่สุดต่อไปอีกองค์หนึ่งครับ เป็นองค์ที่สี่สิบหกองค์นี้ชื่อว่าท่านสมิธิท่านสมิธีเนี่ยเราเคยเอ่ยถึงท่านโดยเฉพาะในที่ตรงนี้นะเคยนำเอาขนงานของท่านมาอธิบายเข้าใจว่าสามครั้งเมื่อสมัยที่บรรยายพระสูตรอยู่ที่นี่พระสูตรที่เอาขึ้นมาบรรยายนะชื่อว่าสมิธีสูตรเป็นพระสูตรที่มีความคมคายแล้วก็ลึกซึ้ง เป็นอย่างยิ่งบางท่านหลายท่านอาจจะไม่ได้มาฟังสูตรนี้ในที่นี้อท่านสมิทธิเนี่ยปูดถึงประวัติของท่านเดี๋ยวจะวาดถึงเนื้อความในสูตรสักนิดหนึ่งด้วยอท่านสมิทธิ์นั้นท่านเป็นชาวเมืองะะราชฤกษ์อีกองค์หนึ่งเกิดในสกุลที่ร่ำรวยก็เ ข, ข้าใจว่าจะเป็นสกุลพราหมณนะ์แ่ะ เพราะเหตุที่ว่าท่านเป็นผู้ประสบความสาเร็จในชีวิตตั้งแต่เกิดรวยด้วยทรัพย์ประการหนึ่งแล้วก็รวยด้วยลูกสมบัติอีกประการหนึ่งและมีหน้ำซ้ายังเป็นผู้รวยด้วยศรัทธาด้วยคุณวิเศษในทางธรรมะจึงได้ชื่อว่าสมิธิแปลว่าผู้ที่มีชีวิตถ้าพูดง่ายๆคือชีวิตที่ประสบความสาเร็จ หรือชีวิต ท, ที่สําเร็จลูกตั้งแต่เกิดรวยตั้งแต่เกิดลูกงามก็ตั้งแต่เกิดมันกแน่แหละมันต้องต้องงามตั้งแต่เกิดแต่เดี๋ยวนี้มันมีงามหลังเกิดงามแบบวิทยาศาสตร์นี่ก็อที่มาบวชเนี่ยก็เนื่องจากว่าพระผู้มีพระภาคเมื่อได้ทรงไปประกาศศาสนาที่เมืองราเจริญเราคงจําได้ว่าไปแสดงธรรมโปรดพระเจ้าปิมมีสาร เมื่อครั้งโปรพระเจ้าวิมิสารเนี่ยมีคนไปฟังธรรมที่เป็นเศรษฐีกฤหหาบดีข้าราชบริพารขนาดนั้นถึงสิบสองนหุ่คือแสนสองในแสนสองนั้นบรรลุเป็นพระเสกะบุคคลในที่ฟังธรรมแสนหนึ่งเหลืออีกหนึ่งหมื่นอีกหนึ่งหมื่นนั้นไม่ได้บรรลุอะไรได้ศรัทธาและในจำนวนหนึ่งหมื่นนั้นก็มีท่านสมิธทธิ เป็นหนึ่งในหนึ่งหมื่นนะได้ศรัทธาปฏิ ญ, ญาณตนเป็นพุทธมามากะและในที่สุดหลังจากนั้นได้ตัดสินใจบวชเป็นพระภิกษุในพระพุทธศาสนาในการต่อมา mm hmm. เมื่อบวชแล้วท่านก็ไปหลีกเล่นปฏิบัติภาวนาอยู่ หลอบหลอบเมืองเลยจะคลือลครับแล้วก็ตำแหน่งที่ท่านอยู่แล้วก็เกิดเรื่องราวเป็นประสูต์ขึ้นที่เรียกว่าสมิตีสูตรเนี่ยคือที่ตโปทาลามซึ่งตอนนั้นเป็นที่อาศัยอยู่ของพระพุทธเจ้าคืออยู่ในละแวกละแวกนั้นนะไม่ถึงก็อยู่ที่ตรงทานน้ำร้อนนั้นทีเดียวหรอก <c oughs> วพาะทานน้ำร้อนถือเป็นของกลางก็มี คนมาอาบทั้งคนและทั้งพระมาหลีบหลีบเวลากันเออ่พระเจ้าวิวพิสารยังเคยเสด็จออกมาส่งน้ําที่ตะโปธานแล้วก็เป็นเหตุทําให้พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติิกขาบทเรื่องอาบน้ําแก่พระภิกษุ ข, ขึ้นว่าครั้งหนึ่งพระเจ้าพิมพิสารผู้เป็นโสดาบันเสด็จออกจากเมืองในเวลาบ่ายใกล้เย็นใกล้ค่า ก็ไม่อาทิตแรกก็ไม่ก็ไม่ใกล้ค่ำทีเดียวหรอกก็มีพระภิกษุในจานวนมากไปอาบน้ำที่สระบุทานอาบาจนกระทั่งพระเจ้าพิมีสารซึ่งทรงเป็นโสดาบันมีความเคารพสง์ก็รอรอจนกระทั่งเวลาปิดประตูเมืองเนี่ยก็คงจะสักโมงก่อนทุ่มอะไรเนี่ยนะประตูเมืองปิดพระเจ้าพิมีสารต้องประทับแรมนอกเมือง เรื่องทราบมาถึงพระเจ้าจึงสั่งบัญญัตสสิขาบทเกี่ยวกับเรื่องอาบน้ําแก่พระคือไม่ให้อาบน้ําบ่อยมากนักถึงในในในสิขาบทบอกว่าครึ่งเดือนให้อาบทีตอนนั้นนะแต่ว่าตอนหลังก็ถอนีิขาบทมีข้อ ย, ยกเวน้นอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องที่พูดถึงสะปูตานนี้ท่านผู้นี้ท่านอยู่แถวแถวนั้น แล้วก็การที่อยู่ แ, แถวๆนั้นเนี่ยก็ทําให้ท่านได้ประพฤติธรรมแล้วก็ได้ใช้สโปูทานเป็นที่ดื่มที่อาบน้ําน้ําใสบริสุทธิ์สะอาดดื่มได้อ่าก็ได้ไปเห็นตัวอย่างน้ําที่ตักมาให้ดูแล้วว่าใสเหมือนกับ น, น้ําน้ํากลั่นเลยทีเดียวหอามก็ดีดื่มก็ได้อ่าในที่นั้นน่ะ มารมีทั้งมารคือเทวดาที่เป็นผู้ไม่ประสงดีแล้วก็มีทั้งเทวดาที่ประสงดีได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับท่านะจะเล่าถึงมารก่อนว่ามารได้เข้ามาในที่ใกล้ๆแล้วก็มาทำเสียงหน้าสะพึ่งกลัวบ้างทำดินประหนึ่งว่าจะถล่มทลายบ้างเพื่อให้ท่านกลัวขู่ท่านไม่ให้ จเจริญในธรรมทีแรกท่านก็กลัวเข้าไปฟาบุตริจา่าเพราะว่าท่านยังไม่ได้บรรลุธรรมอะไรเลยตอนนั้นเมื่อไปฟาบุตริจา้าบุทริจ่าก็ตรัสว่าอย่าไปกลัวเลยนี่เป็นเสียงของมารมารบังตามารใช้ฤทธิ์ทำให้เห็นเป็นไปซึ่งไม่ได้เป็นความจริงอย่างนั้นหรอกก็คลายความกลัวแล้วก็มาปฏิบัติธรรมตอนหลังมารมาหาอีกท่านสมิธิท่านก็บอกว่าท่านไม่ได้กลัวต่อให้มารมาเป็นร้อยท่านก็ไมไม่กลัว อแล้วก็ในที่สุดเนี่ยท่านบรร ล, ลุเป็นพระอาหารหันต์อนาบริเวณตโปธา น, นั่นเองเป็นพระอาหารหันต์ซึ่งเป็นบรร ล, ลุเป็นพระอาหารหันต์ในเวลาไม่นานเข้าใจว่าในพรรษาแรกนี่นแหละครับคราวนี้เมื่อท่านบรร ล, ลุเป็นพระอาหารหันต์แล้วก็มีเทวดาดีมาฟมหาเทวดาดีนะ้หมายถึงเทวดาที่มีความเลื่อมใสใน พระพุทธศาสนามหาท่านเอสูตรนี้ยาวแต่ผมจะเล่าอข้อความบางตอนที่เห็นเป็นกรรมกลมแล้วทศกัณฐอยากรู้ก็ไปฟังพระสูตรย้อนหลังเอานะก่อนที่จะพูดถึงพระสูตรเนี่ยอในคาถาที่ท่านพูดถึงเนี่ยท่านพูดถึงเนื้อความถึงอารมณ์ที่น่าสะพึงกลัวที่เกิดขึ้นจากมานสั้นๆตัางต่อไปนี้นะครับท่านบอกว่าเราออกบวชเป็นปรบรรพชิตด้วยศรัทธา มีสติและปัญญาอันเจริญมีจิตตั้งมั่นดีแล้วดูก่อนมานถึงท่านจักบรรดาลรูปต่างๆที่น่ากลัวให้เกิดขึ้นแต่ก็ไม่สามารถทำให้เราสะดุ้งกลัวได้เลยเป็นคำสำทับมานของท่านพระสมิทธิอทีทีนี้จะว่าถึงเนื้อความอย่างสั้นๆโดยสรุปของสมิทธิสูตรให้ฟังสักนิดหนึ่งว่า ในในสูตรนี้ว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีภาคประทับที่ตโปธารามกรุงรัชกรือครั้งนั้นแหลพระสมิทธิผู้มีอายุตื่นขึ้นในเวลาใกล้ลุ่งแห่งราตรีเข้าไปที่ลำน้าตะโปทานเพื่อจะล้างตัวครั้นล้างตัวแล้วจึงกลับขึ้นยืนมีจีวรผืนเดียวรอให้ตัวแห้งครั้งนั้นแหลเมื่อราตรีใกล้สว่าง เทวดาองค์หนึ่งมีวันนะงามเข้าไปหาพระสมิทธิเสระผู้มีอายุอันนี้ก็ฟังใครไปอินเดียฟังละวาดภาพดูด้วยนะคือไอ้ที่สะโปทานที่เราไปเดี๋ยวนี้นะ่ะฮินดูได้มาสร้างอาคารสถานที่คล่อมทับบ่อไอ้ตรงตำแหน่งที่พระสมัยก่อนถนาดนา้ำก็แล้วก็ยึดเป็นของตัวบ่อต้นน้ำให้พวกวันณนะพรามอาบแล้วก็ไอ้ช่วง กลางช่วงถัดไปพวกวันนะแพทย์อาบแล้วก็ช่วงประรายน้ําถึงสภาพน้ำโขกปลกเหมือนกับน้ําคลําอ่ะมองดูแล้วก็เหมือนกับน้นําในคลองแสนแสบเวลาที่มันมันไม่ใสนะเวลานี่มันมีเวลาใสอยู่บางไอเวลาที่มันไม่ใสโขกปรกไอพวกวันนะจันทานงมาอาบกันเหม็นด้วยสกปลกด้วยแค่รองเท้าเรายังไม่อยากให้โดนเลย ไอ้เดี๋ยวนี้มันเป็นสมัยก่อนมันเป็นป่าแล้วก็ตะลิงฟังเป็นโขดหินสวยงามพระทั้งหลายก็ไปอาบที่นั่นญาติโยมสมัยนั่งก็ไปอาบที่นั่นตามการอาสมควรเอที่นี่ท่านสมิทธิี่อยู่และท่านสมิทธิก็ได้ปฏิบัติธรรมแล้วก็ไปล้างหน้าล้างตาอาบน้ําที่นี่ไอะตอนที่ท่านมายืนรอให้ตัวแห้งเนี่ย เทวดาที่เป็นสมาธิฏฐิมหาตอนนี้เป็นพราหลานแล้วทีนี้ในพระไตรปิฎกกล่าวเนื้อความที่ผมอ่านให้ให้ฟังแต่ไม่อธิบายเนะสั้นๆ ส, สั้นว่าคลั้นแล้วจึงลอยอยู่ในอากาศคือยืนอยู่บนอากาศลอยตัวพระอยู่ที่บนโขดหินริมตะลิง่งี่จริงจะเรียกว่าริมตลิ่งก็ไม่ถูกเพราะมันไม่ใช่แม่น้ําที่มี ลิงลาดอย่างทั่วไปเทวดากล่าวว่าภิกษุท่านไม่บริโภคแล้วยังขออยู่ท่านไม่บริโภคแล้วก็ไม่ต้องขอเลยภิกษุท่านบริโภคแล้วจงขอเถิดการอย่าล่วงท่านไปเสียเลยเนี่ยผมอ่านเนี่ยผมรู้ว่าท่าน ฟังแล้วก็ไม่เข้าใจเพียงแต่อ่านให้รู้ว่าเทวดาเขาพูดคมคายขนาดไหนพระสมิทธิ์ที่กล่าวต่อเทวดาว่าเรายังไม่รู้การการยังไม่รับมิได้ปรากฏเพราะเหตุนั้นเราไม่บริโภคแล้วจึงยังขออยู่การอย่าล่วงเราไปเสียเลยรู้รู้กันสองคนราหวางพระกับเทวดา ผมไม่อธิบายเพราะอธิบายแล้วต้องเท้าวความยืดยาวเพราะว่านี่เป็นคำลึกมากทีนี้เอาละเมื่อพูดกันอย่างนี้แล้วก็มีการสนทนาปลาสัยอะไรกันตามสมควรจนกระทั่งอา่าท่านสมิธิเนี่ยท่านได้ตอบเนื้อความเนื้อความหนึ่งที่เทวดาไม่เข้าใจคือ ท่านได้บอกว่าท่านได้บรรลุอริยธรรมที่เป็นโลกุตละที่เป็นปัจจตังอย่างเราสวดมนต์สะดุดีธรรมกุลจนกระทั่งถึงโอปันญิกโกปัจจตังเวทิตัาโพวินยูหิติซึ่งเป็นบทโลกุตละธรรมพราะกล่าวอย่างนี้แล้วเทวดาไม่เข้าใจเทวดาไม่เข้าใจ ก็ให้ให้ให้อธิบายาเพราะก็ว่าพอถามให้ท่านอธิบายเ่องกาอธิบายแม่ไม่ได้คือเป็นเรื่องโลกตรลาธรรมอธิบายไม่ได้เพราะว่าท่านบวชใหม่ถึงจะเป็นอะไรนต์ก็จริงก็เลยให้ไปเฝ้ากุฎิจ้าวเทวดาเขาบอกว่าพยายามจะไปเฝ้าแล้วเข้าไม่ติดเพราะว่ามีเทวดาที่ศักดิ์ใหญ่เนี่ยเข้ามาเฝ้ากันมากยังไงก็ขอให้ท่านเนี่ยได้ไปขอโอกาสกับพระผู้มีพระภาคแล้วก็นําเอา ปัญหาผมเนี่ยไปถามพระผู้มีพระภาคตอนทมิทีท่านก็รับคำแล้วก็สว่างลุ่งขึ้นท่านก็นไปฟ้าพระผู้มีพระภาคนําเอาเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นที่ตะโพธานเนี่ยเล่าให้ฟังทั้งหมดแล้วก็ยกปัญหาของเทวดาขึ้นกระดาบทูลถามพระผู้มีพระภาคาพระผู้มีพระภาคก็ได้ทรงตรัสตอบแล้วก็ตรัสข้อความตอนหนึ่งว่า อธรรมดาเนี่ยพระอรหันต์ไม่รับบอกแล้วก็ตรัสว่าดูก่อนเทวดาถ้าท่านเข้าใจจงพูดเถิดคือตอนนั้นเทวดาคงหลบอยู่ที่ใดที่หนึ่งเจ้ า, จาตอบแล้วก็บอกเอาให้พูดออกมาได้เข้าใจหรือไม่เข้าใจก็เป็นเรื่องที่ปรากฏอยู่ในสสูตรนะอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องของท่านสมิทธินะครับซึ่งจะเห็นว่าเอาเรื่องนี้นะ่ะ ถ้าเราให้ข้อสังเกตอันหนึ่งอย่างที่คนชอบถามว่าปริยัติกับปฏิบัติคนปฏิบัติแล้วจะรู้ปริยัติด้วยหรือไม่เป็นอรหันและรู้ปริยัติด้วยหรือไม่เนี่ยตอบว่าคนละเรื่องกันแต่มันก็ไม่ใช่เป็นคนละเรื่องกันเลยโดยทิ้งเิงทีเดียวร้อยเปอร์เซนตแต่คนบนรรลุอรหันแล้วไม่ใช่จะรู้หลักปริยัติเพราะหลักปริยัติเนี่ยพระพุทธเจ้าเท่านั้นเป็นผู้บัญญัติได้ พระละหันบรรลุแล้วต้องมาเรียนข้อบัญญัติจากพระพุทธเจ้าแล้วก็ปริยัติปฏิบัติเนี่ยเป็นของดีทั้งคู่แต่ว่าในความเป็นจริงของคนที่เข้าถึงปริยัติปฏิบัตินั้นอัตราส่วนบางทีต่างกันต่างกันมีหลายแงย่เอาเป็นว่าถ้าบุคคลนั้นเป็นพระอะหันบางคนก็สัดส่วนแห่งปริยัติกับปฏิบัติพอดีกันบางคนก็สัดส่วนแห่ง ปฏิบัติมากกว่าปริยัติบางคนก็สัดส่วนแห่งปริยัติมากกว่าปฏิบัติเพราะนั่ชีวิตเราเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้นะถ้าพูดว่าคนที่เข้ามาก่อนทจะมาบรรลุเป็นพระหลานบางคนก็ส่วนแห่งปริยัติมีมากและจึงมาบรรลุพระหลานภายหลังบางคนก็ส่วนแห่งปริยัติเนี่ยมีเท่าที่จะพึงปฏิบัติ เท่าที่พึงปฏิบัติหมายถึงวิปัสสนากรรมฐานแล้วก็เจริญในปฏิบัติตามส่วนแห่งปริยัติที่รู้เท่าที่จำเป็นแก่การปฏิบัติจนกระทั่งบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ด้วยหลักปริยัติเท่าที่จำเป็นแก่การปฏิบัติเท่านั้นเราก็พูดได้ว่าไม่มีใครบรรลุพระอรหันต์โดยไม่รู้ปริยัติแม้ในส่วนเท่าที่จำเป็นแก่การปฏิบัติหรอก ท่านสมิทธิ์เนี่ยท่านเป็นพระอราหันต์ที่รู้ปริยัติในส่วนเท่าที่จำเป็นแก่การปฏิบัติแต่ว่าไม่รู้ในส่วนที่เกินการปฏิบัติที่ออกมาเป็นระบบเป็นหลักการที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติเพราะนั้นโดยหลักเนี่ยปริยัติปฏิบัติรู้เต็มที่เท่าไหร่ดีทั้งคู่แต่ว่าโดยบุคคลโดยความรับได้ของบุคคล โดยความเป็นจริงของบุคคลในขณะนั้นโดยความควรของบุคคลในขณะนั้นหรือในการต่อไปต้องแยกตอบไปตามบุคคลอีกเรื่องหนึ่งจะเอาไอ้เงื่อนไขของบุคคลมาตอบลางหลักไม่ได้ที่ว่า เ, าเงื่อนไขบุคคลมาตอบลางหลั ก, กหมายความว่าอาสมมุติว่าท่านสมิทธิท่านรู้ปริยัตของท่านแค่นั้นท่านจะไปห้ามเทวดาโอ้ยอย่าไปสนใจอย่าไปถามไม่มีประโยชน์เลยเหรอก อย่างนั้นนะเอาเรื่องเอาเอาประสบการณ์ท่านมาตอบปฏิเสธล่างหลักพระอรหันต์สมัยก่อนทาไม่ทําอย่างนี้ท่านตอบไม่ได้โดยปริยัติท่านก็จะแนะให้ไปถามผู้ที่ตอบได้อีกองหนึ่งครับองที่สี่สิบเจ็ดชื่อว่าอุจยะท่านอุจยะเป็นชาวเมืองราชคลีขี่เี่นเดียวกันเป็นลูกพรามบอกชื่อพ่อด้วยครับชื่อว่าโสติยะ ไม่รู้ว่าเป็นคนเดียวกับโสธียพรามที่ถวายยากาหรือเปล่านะก็เมื่อเรียนจบรายเพศตรงนี้ก็บอกว่าท่านผู้นี้นะ่ะ <c oughs> เนื่องจากว่าท่านเป็นคนที่มีอุปนิสัยบารมีแรงแรงในทางที่จะเจริญในธรรมตั้งแต่ออกบวชเพราะฉะนั้นคนที่มีอุปนิสัยบารมีแรงในชีวิตค่อนข้างจะไม่โลดโผนนะ <c oughs> ให้ให้สังเกตยอย่าง ไม่โลดผนคือไปตามระดับแล้วไม่มีอุปสรรคต้องแวะเวียนไปยังอย่างนี้เทียบเหมือนกับคนปฏิบัติวิปัสนาเนี่ยถ้าคนไหนทําแล้วก็เรียบร้อยไม่เคยมีอะไรผงหวังแสดงว่าคนนั้นวิบากเพล่ากิเลสเปล่าแต่ว่าถ้าคนไหนทำแล้วมีอาการปร ะ, ประหลาดๆแล้วก็คนนั้นนะ่ะขอให้รับรู้เถอะว่าเป็นพวกที่มีกิเลสแรงแล้วก็วิบากอากุศลแรง จึงทำให้มีอาการต่างๆอย่างวันนี้ก่อนออกจาก บ, บ้านได้รับจดหมายฉบับที่เล่าถึงอาการของตัวเองสองอย่างให้ฟังอาการประหลา ด, ดในทางที่ทําแล้วก็เนเกิดความกลัวด้วยเหตุการณ์อะไรบางอย่างมีอาการาหัวหมุนชนิดรุนแรงทนไม่ได้แก้ไม่ตกอย่างนี้มันเกิดจากอะไร เอาโดยสรุปแล้วเราก็บอกว่าเกิดจากกรรมและกิเลสของบุคคลนั้นแน่นอนถ้าเป็นลักษณะอย่างนี้เพราะฉะนั้นคนที่เข้ามาในทางศาสนาตั้งแต่ยังไม่ไ ม, ไม่ประพฤติ ธ, ธรรมเนี่ยมีอาการมีพฤติกรรมแปลกๆต่างๆเนี่ย <c oughs> เราพูดถลยว่าไอ้บางพวกมันก็แรงซะจนกระทั่ ง, ทงไม่เข้าวัดหรือจนกระทั่งอยู่ก็วัดไม่ได้อย่างงั้นก็ไม่ถือว่าอยู่ในกระแส อีกพวกหนึ่งคือเรียกว่าพอจะบรรลุได้เนี่ยนะแต่ว่าโดนลมเพลลมพัดจากกรรมและกิเลสเป็นท่านั้นท่านี้ถึงจะฆ่าตัวตายบ้างอะไรบ้างนี่นะถึงกับศึกษาลาเพศไปหลายครั้งหลายโหนบางเสร็จแล้วก็มาบรรลุที่หลังเนี่ยเป็นพวกที่มีกรรมและกิเลสแรงแตกต่างกันไปอย่างนั้นอย่างนี้นี่ถ้าคนมีอุปนิสัยมาดีเรียบร้อยก็มักจะเรียบพวกไปเลยอย่างเช่นท่านอุทยะเนี่ย ชีวิตท่านเอาไปสร้างหนังไม่ได้เพราะว่าชีวิตเรียบเกินไปก็เมื่อท่านเรียนจบรายเพศตามคติของการศึกษาสมัยนั้นแล้วท่านก็เห็นว่าไอ้สิ่งที่ท่านเรียนไม่มีสาระเพื่อแค่นั้นแล้วก็ตัดสินใจออกบวชกับไปที่พระเวโรหวานสแสวงหาสิ่งที่เป็นสาระไปพบพระบุตรเจ้าฟังธรรมแล้วก็ตัดสินใจใบวชง่ายๆบวชเสร็จแล้วก็ไปทําวิปัสนาบรรลุพระอรหันต์ง่ายๆเหมือนกัน ก็เลยจบแค่นี้เรื่องท่านนี่ท่านอุทยะเรื่องท่านไม่เคยมีอะไรเลยคงจําชื่อท่านไม่ค่อยฝังใจเท่าไหร่นะเออีกองคหนึ่งองค์สี่สิบแปดองค์สี่สิบแปดนั่นคือท่านสัญเจยะท่านสันชจยะเป็นชาวเมืองราชคฤห์ อ, อีกเป็นลูกพราหมณ์มหาศาล เหตุที่ท่านเข้าวัดเนี่ยเขาเรียกว่าคนบางคนเนี่ยเข้าวัดเพราะอิทธิพลของสังคมอิทธิพลสังคมหรือเข้าเพราะบุคคลตัวอย่างที่เข้าวัดเพราะาเพราะว่าสันญมานพเนี่ยเห็นว่าพราหมรุุ่นอาวุโสลหลายท่านที่สังคมเขายกย่องว่าเป็นคนที่มีเกียรติสูง มีฐานะดีมีการศึกษาดีเป็นปาจา์ของพวกพราหมรุรุ่นหลังๆเป็นอันมากแต่ทำไมท่านเหล่านี้เลื่อมใสพระสมณะโคดมถึงกับปฏิญาณตนเป็นพุทธบริษัทแล้วก็ชี้นำพวกสานุสิตของตัวเองเนี่ยให้ไปฟังธรรมกับพระพุทธเจ้าถึงพระพุทธเจ้าเป็นสารณะเป็นที่พึ่ง ก็เกิดความสนใจเกิดความเชื่อจากบุคคลที่ตัวเองเชื่ออยู่ก่อนเพราะเหตุนั้นจึงเป็นเหตุทําให้สันชัยมานพไปฟังธรรมะและสัญชัยมานพเมื่อได้ฟังธรรมะเท่านั้นก็บรรลุเป็นพระโสดาบันในที่ฟังธรรมะนั้นที่เดียวและเมื่อบรรลุเป็นโสดาบันแล้วก็บวช คือไม่ได้กลับมาสู่บ้านครองชีวิตกระวติอีกต่อไปและเมื่อบวชในระหว่างปลงผมท่านว่าพอปลายมิดโกนจดเข้าที่ศีรษะจะเรียกว่าแค่โกนผม ทีแรกเท่านั้นก็บรรลุเป็นพระอราหันต์ที่ถึงพร้อมด้วยอภิญญาหกประการเป็นอาหารหันตชลาชล า, ชลาบินโยในทันทีเลยยังไม่ทันจะได้ครองผ้าเหลืองอันนี้ก็ท่านบวชแบบแบบธรรมดาแบบยติจะตุกกรรมวาจาไม่ได้บวชแบบเอหีพิคุบรรลุเป็นพระอราหันต์เลยก็นับว่าเป็นชีวิตที่ เรียกร้อยไม่สมบุกสมบันอีกบุคคลหนึ่งคล้ายกับท่านอุทยะแต่พิเศษว่าท่านอุทยะที่ว่าบรรลุเป็นพระอรหันต์ฟังธรรมก็บรรลุโสดาบันแล้วก็เมื่อปรงผมจะบวชบรรลุเป็นพระอรหันต์ผมยังไม่ทันจะหมดหัวเลยทีเดียวท่านเมื่อบรุลุเป็นพระอรหันต์แล้ว ท่านก็ได้กล่าวพยากรณอหรหันตคุณของท่านแก่เพื่อนสะพรมจารีด้วยข้อความว่าตั้งแต่เราออกบวชเป็นบรรพชิตเราไม่รู้สึกถึงความดำริอันไม่ประเสริฐประกอบด้วยโทษเลยอันนี้ก็แน่แนละ้วเพราะว่าท่านเป็นอหรหันต์อะไรยังไม่ทันจะห่มผ้าเหลือง เพระนัน้ความคิดในทางอุศนท่านจึงไม่มีอันนี้ก็เป็นธรรมดาพูดง่ายๆว่าอกุศลชาวณนะไม่เกิดแก่ท่านเลยตั้งแต่ข่มผ้าเหลืองหรือครองผ้าเหลืองไม่ว่าจะอกุศลชาวณะประเภทใดๆที่เป็นโลภะมรรจิตแปโทสะมรรจิตสองมัวมรรจิตสองอุศลเจสิกิตสีไม่เกิดแก่ท่านเลยจึงเป็นผ้าเหลืองเป็นเรียกว่าเป็นการครองเพศ ภิกษุที่บริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นไม่ใช่บริสุทธิ์ครึ่งอายุของการบวชหรือครอนอายุของการบวชหรือยี่สิบ้าเปอร์เซ็นหกสิบเปอร์เซ็นตเหมือนอย่างบางองค์ที่เป็นอหรหันต์ภายหลังๆบุพกรรมของท่านองค์นี้ที่ควรกล่าวไว้นิดหนึ่งก็คือว่าบุญที่ท่านทำมาเป็นเอกเนี่ยครับคือบุญที่ เป็นอย่างกระองที่ได้กล่าวเมื่อสักครู่นี้คือเ ว, ยวยียวัฏย์ไม่ผลขวายในกิจของผู้อื่นผลขวายในกิจของใครท่านทําบุญช่วยเหลือหมู่คณะที่ทําบุญคือว่าใครทําบุญทุกคนด้วยเรื่องอะไรท่านจะเป็นคนที่ช่วยด้วยประการต่างๆที่จะพึงช่วยได้แล้วก็เมื่อเข้าวัดครบกับพระสงค์องค์พระเจ้าก็ช่วยกิจของสงศ์ ด้วยประการต่างๆที่สามารถช่วยสงได้นี่เป็นบุญที่ท่านทำมาเป็นเจ้าเรือนประจำบุคลิกของท่าน <c oughs> ซึ่งข้อนี้ก็ไม่แปลกนะครับเพราะว่าเราดูคนเราแมในปัจจุบันเนี่ยบางคนก็มีอัธยาศัยขนขวายในกิจของผู้อื่นชอบช่วยเหลือท ำ, ทำนู่นทำนี่เป็นข้อเด่นของบุคคลบางคน แล้วก็หนำซ้ำยังบางทีมีความสามารถพิเศษทำนู่นก็เป็นทานี่ก็ได้ทำเป็นได้หมดแล้วก็มีแก่ใจที่จะช่วยําเข้าวัดก็ช่วยวัดไปที่ไหน ก, ก, ก็ใครเนี่ยก็ค่อนข้างจะเป็นอุปการะแก่หมู่คณะที่ตัวเองไปด้วยเนี่ยเป็นคนที่มีบารมีทางบุ ย, ยาวัดจกักร่พวกนี้เวลาทำอะไรแล้วมักจะไม่ค่อยมีอุปสรรคทำแล้วก็สาเร็จง่ายสาเร็จเร็ว เพราะให้ความสะดวกแก่บุคคลอื่นด้วยความสามารถของตัวเองก็ต่างกันแต่ว่ า, าให้ความสามารถทำมวยยาวัฏจะไว้ในด้านไหนเป็นพิเศษนะันเป็นอีกเรื่อ ง, น ง, อองหนึ่งอีกองหนึ่งองค์สี่สิบเก้าชื่อว่ารามเนยกะเราจะเรียกสันส้นๆว่ารามนะก็ได้ท่านรามเนยกะเนี่ยท่านเป็นชาวสาวัตถี อยู่ในแคว้นโกศลครับเป็นเกิดในสกุลคนที่ร่ำรวยเหตุที่ท่านเลื่อมใสถึงขนาดมาบวชเป็นพระเป็นสงฆ์นั้นก็เนื่องจากวันที่ท่านอนาถบินธิกะเศรษฐีทําพิธีมอบเพตะวันแก่พระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุข อ, อันนี้เราก็ได้ข้อสังเกต ที่เป็นเชิงเป็นข้อดีอย่างหนึ่งนะฮะว่าการที่เราได้ทำบุญทำกุศลทำความดีอะไรอะไรเนี่ยแม้แต่งานาพระราชทานเพลิงศพของสมเด็จ ญ, ญาในวันลุงขึ้นก็เป็นแบบอย่างอันหนึ่งที่ควรจะประกาศให้โลกรู้แล้วก็เราก็พูดโยงไปถึงว่าแม้แต่การทำความดีอย่างอื่นในลักษณะตีข้องร้องเปล่าให้โลกรู้ให้สังคมรู้ ให้ให้ถือเป็นหลักว่าถ้าการบุญนั้นเกี่ยวข้องด้วยคนดีแล้วก็ประกาศความดีขอ ง, ของบุคคลนั้นให้ประชาัมพันธ์ให้มากให้คนรู้ให้มากเพราะการทําให้คนรู้ให้มากเนี่ยจะเป็นแรงกระตุ้นทําให้คนนั้นเกิดความเห็นคุณค่าของคนดีของความดีแล้วก็กระตุ้นให้คนอยากทำความดีอันนี้เป็นเรื่องจริงเลยทีเดียว เพราะนั้นอย่างถ้าสมมติว่าเราไปงานอะไรก็ตามนะมันจะทาให้เกิดความคิดเข้าไปผูกพันอยากจะเป็นอยากจะทำโดยอัตโนมัติอ้าสมมติว่าเราไปงานที่เขาประกวดประขันกันงานแต่งงานเพื่อหน้าเปื่อตาแล้วเราเองยังไม่แต่งงานหรือว่ามีลูกที่ยังไม่แต่งงานแล้วก็แอ บ, บคิดว่าจะต้องยังงี้อย่างงี้นะฮะเป็นแบบโลก นี้ถ้าหากว่าเราไปงานที่เกี่ยวกับคนดีเช่นไปงานศพของคนดีได้รับหนังสืองานศพที่พัลนาถึงผลงานความดีที่เรารู้มาเองบ้างรู้จากหนังสือบ้างรู้จากคนไปร่วม ง, งานบ้างเราก็จะได้รับส่วนแห่งความดีนั้นมาทั้งจงใจและทั้งโดยบริยายเกิดความคิดว่าอยากเนียายคื อ, อยังงุ่มยกตัวอย่างอย่างบงคนพูดอ่ะ มมติว่าไปงานศพงานหนึ่งโอพระเต็มวัดเลยพระกโยมเท่ากันเลยแล้วก็รู้โอ้คนที่อยู่บนเมนเนี่ยได้ทำประโยชน์ไว้ให้พระเลื่อมใสโจงก็รักใครก็เกิดความรู้สึกว่าเออคนอความดีอย่างนี้น่าทาเราอยากจะเป็นอย่างบุคคลนั้นหรืออย่างบางคน อ, อาจจะทำบุญไว้ การสังคมทางด้านสังคมสงเคราะห์เวลาตายไม่ได้แจกการสักใบคนไม่รู้มาแต่ไหนทั้งพระทั้งโยมนั่นขนาดหมดไม่ได้แจกการสักใบไม่ได้ไปบอกใครสักคำเนี่ยต่างคนต่างทําหน้าที่ไปเจอรมพันธ์บอกกันอย่คนหนึ่งอยู่ทางใต้เนี่ยพอไปเห็นคนไปเห็นเขาเนี่ยเกิดความรู้สึกว่านี่เองผลของความดีที่ทันทันตายเห็น นี่เป็นเป็นญาติของพวกเราคนหนึ่งแค่เราไม่ได้ไปได้ฟังในยังเกิดความรู้สึกว่านี่นะความดีเป็นอย่างนี้เองก็ทําให้เกิดความคิดที่จะทําความดีอย่างที่บุคคลนั้นทําถ้าเวลานี้มีบางคนเป็นเจ้าของธุรกิจหนังสือพิมพ์นายกก็ยังไปเนี่ยก็อาจจะคิดอยากจะทาหนังสือพิมพบ้างเนี่ ทำหนังสือพิมพ์บางสร้างโรงเรียนให้นักเรียนเรียนบ้างอะไรก็ อ, อาจจะคิดไปอย่างนั้นแล้วแต่ว่าแบบอย่างแค่ไหนมันก็ได้แค่นั้นทีนี้ถ้าที่นั้นในหลวงเสด็จเอาอย่างนี้ผมก็เห็นผมมีความรู้สึกไปต่างจังหวัดไปอย่างงานศพของของหลวงปู่ที่ที่น้องขาย ในในหลวงยังไม่ทันคนก็แห่เพราะอะไรแกลกอะไรกลับกรู see, ้ก right? ันไปแล้วเห็นบ้างไม่เห็นบ้างก็ยังอยากจะกลูไปคนตั้งเป็นหมื่นเป็นแสนใช่ไหมไอ้นี่เราก็เป็นคนที่ชอบคิดเรื่องชีวิตเรื่องธรรมมาแล้วก็มองเพราะอะไรเพราะอะไรพอกลูไปแล้วก็บอกไม่ใช่เป็นรถเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่เอะก็ถอยหลังกลับมาแล้วก็เฝ้ากันเป็นชั่วโมงชั่วโมง เพราะอะไรเห็นบ้างไม่เห็นบ้างเนี่ยแล้วทุกคนดวงหน้าแววตาของบุคคลน่ะก็ส่อกไปอย่างชนิดที่ไม่เหมือนดูหนังดูละครนะฮะมันเพราะอะไรเราก็หาคําตอบได้อันนี้ก็คือแบบอย่างทีนี้ถ้าสมมุติว่าที่นั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าเสด็จแล้วคนที่ถวายของคือถวายวัดในแก่อนาถะทั้งสองคนนี้เป็นแบบอย่าง พะเจ้าพรเสษยังต้องเสด็จใครตาใครควรต้องการเสด็จกันที่ทจะเรียกว่าที่บ้านที่เรือนมีแต่คนชรากับเด็กอยู่มากันด้วยความรู้สึกที่หัวใจท่วมท้นไปด้วยปีติและศรัทธาคนที่ได้ทําเองช่วยเองก็พวกหนึ่งและคนที่เป็นคนที่สามก็เกิดความรู้สึกไปตามส่วนเป็นทําลองอย่างนั้นด้วย แต่ที่แน่ๆก็คือว่าเห็นแล้วศรัทธาเมือ่อพวกหนึ่งเนี่ยที่มีวาสนาจะบวชเนี่ยเห็นแล้วก็ศรัทธาในชีวิตของการบวชศรัทธาในพุทธเจ้าว่าอยากจะบวชไปฟังเทศฟังธรรมคําพราสอนจากท่านก็จึงได้คิดบวชเพราะฉะนั้นการเสด็จไปในโอกาสอย่างนี้ของพุทธเจ้าในครั้งสําคัญสาคัญเนี่ย พองานเลิกแล้วหรือพูดงานว่าสเสด็จกลับวัดแล้วมีคนตามมาถึงวัดเป็นอันมากทุกงานแล้ะครับแม้แต่งานไปปราบหาที่เมืองเวสาลีบางทีจะมีประวัติพระองค์หนึ่งเล่าต่อไปคือปราบหาได้แล้วก็ได้พระมาเพิ่มในสังฆมณฑลได้พระอาหารหันต์เพิ่มเพราะการนี้ การไปของพระเจ้าให้คนเห็นเนี่ยจึงเท่ากับเป็นการไปได้คนเข้ามาในศาสนาซึ่งโดยสาระแท้จริงก็คือให้การสงเคราะห์แก่ผู้นั้นแม้ชีวิตของการออกบินสบาทแต่ละวันแต่ละวันก็เป็นทํานองนี้เช่นเดียวกันเพราะเหตุ น, นั้นท่านรามเนยยะเมื่อ ไปร่วมพิธีนี้ด้วยในฐานะที่เป็นประเภทเดียวว่าลูกท่านหลานเธอคนหนึ่งก็เลื่อมใสถึงขนาดออกบทบทแล้วก็ไปประพฤติภาวนาทมอยู่ในป่าก็มีมารไปกวนฮะไอเรื่องเรื่องมารไปกวนเนี่ยมารพวกนี้มาจากไหนอย่างที่เราพูดกันถึงว่า คนไปอินเดียแล้วมีมารกวนอย่างที่คุยคุยกันเมื่ออาทิตย์ที่แล้วผลหนึ่งแล้วเนี่ยไอ้นี่เราก็มองดูไอ้มารพวกนี้มาจากไหนมารจริงๆหรือเป็นมารในทางผลประโยชน์ไอ้มารจริงๆหมายถึงมารที่ขึ้นกับสถาบันของเท้าวัสะวะตีมารทํามารที่ขึ้นสถาบันของเท้าวัสะวะตีมารเนี่ยเป็นมารที่มุ่งทําลายพระพุทธเจ้าและสังฆมณฑลของพระพุทธเจ้า เป็นสําคัญถือว่าเป็นพวกที่กีดการผลประโยชน์ในระดับเดียวกันเพราะว่า ว, สวัสวะดีมานก็ถือว่าเขาสุดยอดของกา ม, มาวาจรภูมิใครควรจะตกอยู่ในอํานาจควรจะนับถือครับแต่พระผู้มีพรภาคเนี่ยเป็นมนุษย์แท้ๆพระแม่แต่พระอาหารหันตสาวกก็เป็นมนุษย์แท้ๆมีภูมิหลัง สูงบ้างตามบ้างแตกต่างกันแต่ทําไมเทวดาทั้งหลายเนี่ยลืมเรามาเฝ้ามาทําความเคารพนอบน้อมแก่พระผู้มีพระภาคพระองค์นะเนี่ยทํานองเหมือนว่าเจ้าบ้านบ้านเมืองแต่สมัยก่อนเห็นพระถึงเป็นลูกชาวบ้านแล้วทาไมชาวบ้านไปเคารพอย่างนอบน้อมเป็นพิเศษเราซึ่งเป็นพระเจ้าบผนดินเนี่ยกลับไม่เคารพนอบน้อมเป็นพิเศษเคารพก็บางทีเคารพกันด้วย อำนาจของทำเนียมประเพณีไม่ได้ออกมาจากหัวใจก็เกิดความรู้สึกขึ้นมาว่าเอ๊ะทำไมให้ความสำคัญ ก, กันอื่นมากกว่าก็เกิดแรงอิสระขึ้นในเหตุนี้ทีนี้ไอ้มารในอินเดียเดี๋ยวนี้นะ่ะมันพวกจริงมันพวกอ่าพูดง่ายคือพวกพราหมณ์เก่าฮินดูเก่าที่มันล่มหายตายจากไปะล้วอิจฉาศาสนาเป็นเทวดามิจฉาทิฐิ เพราะนั้นใครที่เข้าไปมีส่วนกอบกู้าศาสนาหรือทำให้าศาสนาพุทธโดดเด่นขึ้นมาพวกนี้จะอิจฉาและเข้ามาขัดขวางทำให้เป็นไปด้วยประการอย่างนั้นอย่างนี้ใครที่มีช่องทางอากุศลมันก็ทำได้ใครที่ไม่มีช่องทางอากุศลมันก็ทำไม่ได้แล้วแต่คนนั้นพวกนี้ไม่ไม่ใช่มานมาจากสถาบันของท้าวสวัตติมาน และวไ้เรื่องนี้นะอย่าว่าแต่เมืองแขกเลยแม้แต่เมืองไทยยังมีนะฮะอันนี้ผมเล่าประวัติสิ่งที่เคยเห็นมาเทียบให้ฟังว่เอาอย่างงี้ก็แล้วกันว่าคนในเมืองไทยเราก็มีศาสนาอื่นแล้วมีศาสนานี่เราอยู่คู่คนไทยอ่าบางกลุ่มเนี่ยมานานเหมือนกันนาน mm hmm. แล้วก็อมี คนหนึ่งที่เขานับถือศาสนานั้นมาแต่บรรพบุรุษแล้วก็ตอนหลังเนี่ยเขาก็